3. ม, มุจจลินทกถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณนะข่วงต้นมุจจลินเรื่องทรงเปล่งอุทานปารบความสุขข้อ 5. ครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากข่วงต้นอาชบปารณิโครธไปยังข่วงต้นมุจจลินครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่ง โดยบัลังก์เดียวสเสวยวิมุติสุขอยู่นครต้นมุจลินเป็นเวลาเจวันครั้งนั้นได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยมิใช่ฤดูเป็นฝนเจือลมหนาวตกพรมตลอดเจ็ดวันลําดับนั้นพญานาคมุจลินได้ออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนดเจ็ดรอบแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเนือพระเศียรด้วยหวังว่าความหนาว อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคครุ้นเจดวันผ่านไปพญานาคมุจลินรู้ว่าฝนหายปลอดเมฆแล้วจึงคลายขนดออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคจำแลงร่างของตนเป็นมานพยืนประนมมือถวายอภิวาสอยู่เบื้องพระพักตร์ลำดับนั้น ถ้าผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคาถาความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากราคะคือความล่วงกลามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกความกําจัด อัศมิมาณนะความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งมุจลินทากถาจบ